ตอนที่ยีิบสามต้องแต่งงานกับนางอย่างสมเกียรติเจ้าชุนฮวารู้จักนิสัยบุตรชายของตนเองดีและที่สําคัญที่สุดคือหลีชิงถิงเป็นสตรีเพียงคนเดียวในช่วงหลายปีมานี้ที่บุตรชายของนางเป็นฝ่ายออกปากเองว่าอยากจะแต่งงานด้วยแน่นอนว่านางย่อมต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ให้มัน่นแม้เจ้างวิงชงจะกําชับนางซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าไม่ต้องมาไม่ว่าหลีชิงถิงจะตัดสินใจอย่างไรเขาก็พร้อมจะสนับสนุนทว่าเจ้าชุนฮวามีหรือจะอยู่นิ่งได้นางต้องมาให้ได้ เสียวหวานเจ้าคิดว่าอาเจิ้งเป็นอย่างไรเขาพอจะเป็นพ่อเลี้ยงให้เจ้าได้ไหมเจ้าชุนฮาวาสังเกตเห็นหลีชิงผิงที่ดูเหมือนจะยังตัดสินใจไม่ได้จึงหันไปถามหลีหวานแทนเด็กโตขนาดนี้และย่อมต้องรู้ความหมายของคําว่าพ่อเลี้ยงเป็นอย่างดีหลีหวานยิ้มสดใสเรื่องนี้ข้าไม่มีความเห็นหรอกข้าหากท่านไม่ชอบข้าก็ชอบเด็กดีเจ้าชุนฮาวาคิดในใจขนาดเด็กยังไม่มีความเห็นตอนนี้ก็เหลือเพียงหลีชิงผิงแล้ว ลี่ิงผิงมองบุตรสาวอย่างไม่ทันตั้งตัวนางไม่มีความเห็นนั้นหรือเด็กคนนี้ช่างรู้ความคงหวังจะให้นางก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวสินะท่านแน่เรื่องแต่งงานใหม่ท่านตัดสินใจเองเถอะท่านนอกจะจะเป็นแม่ของข้าแล้วท่านยังเป็นตัวของท่านเองด้วยหากท่านเห็นว่าอาเจิ้งเป็นคนพึ่งพาได้คู่ควรแก่การฝากชีวิตไว้ท่านก็เลือกเขาเถอะไม่ต้องคำนึงถึงความคิดของข้าข้าขอเพียงท่านมีความสุขก็พอหลี่หวันย้ำอีกครั้ง การที่หลีชิงพิงลังเลอยู่เช่นนี้แสดงว่าในใจของนางย่อมต้องมีความรู้สึกดีๆให้แก่เจิ้งอวิ๋งฉงอยู่บ้างมิเช่นนั้นนางคงปฏิเสธไปอย่างเด็ดขาดแล้วหลีชิงพิงยังคงไม่ตอบรับในทันทีเพียงแต่บอกปัดไปว่าขอเวลาคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเจ้าชุนฮวารู้ดีว่าเรื่องนี้จะเร่งรัดเกินไปไม่ได้อย่างไรเสีย ว, วันนี้สิ่งที่ควรพูดก็นางพูดไปหมดแล้วที่เหลือก็สุดแทบแต่ว่าหลีชิงพิงจะคิดอย่างไร ขําเจ้างวิ่งจงใจนําซี่โครงหมูมาส่งให้เมลีชิงถิงเห็นเขาอีกครั้งก็นึ้ขัดเคินขึ้นมานี่นี่คือมันเทศอบแห้งที่ข้าเพิ่งมิ้งเสร็จวันนี้ท่านเอาไปให้เด็กๆเถอะเอาไว้ให้พวกเขากินเล่นลีชิงทิงบรรจุมันเทศอบแห้งลงในถุงเล็กๆเจ้างวิ่งฉงยื่นมือมารับพางก้มลงดมหอมมากพวกท่านไม่เคยทานมันเทศอบแห้งหรือลีชิงถิงชะงักไปไม่เคยครับเคยทานแต่แบบเผาแต่ยังไม่เคยทานแบบอบแห้งเจ้างวิ่งฉงตอบด้วยน้ําเสียงทุ้มต่ํา งั้นข้าขอตัวกลับก่อนนะอืมได้ค่ะหลีชิงพิงพยักหน้าเบาๆสีหน้าดูไม่เป็นธรรมชาติอยู่บ้างหลังจากเขาจากไปและปิดประตูลงหลีชิงพิงก็บอกให้บุตรสาวมานอนกับนางในช่วงไม่กี่วันนี้เหตุการณ์หัวขโมกราวก่อนสร้างบาดแผลในใจให้นางไม่น้อยหากขโมยขึ้นห้องนางยังพอทำเนาแต่ถ้าขึ้นห้องบุตรสาวจะทาอย่างไรคืนนั้นหลีหวานจึงเข้าไปในมิติไม่ได้นางมองออกว่ามารดามีเรื่องในใจ ท่านแม่ทำไมท่านถึงไม่ยอมรับอาเจิ้งล่ะคะเขาไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าหรอกเขาดีมากลี่ชิงผิงรีบกล่าวเป็นเพราะเขาดีเกินไปต่างหากอีกอย่างการแต่งงานไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เห็นภายนอกมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่การแต่งเข้าไปต้องใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของเขาแม่จะได้รับความลำบากบ้างก็ไม่เป็นไรแต่แม่ยอมให้ลูกต้องลาบากไม่ได้ทุกวันนี้พวกเราแม่ลูกอยู่กันแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือ อย่างน้อยที่สุดต่อไปก็ไม่ต้องคอยดูสีหน้าใครมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้ท่านแม้ถ้าแต่งเข้าไปแล้วพวกเราต้องลำบากก็แสดงว่าอาจเจิญคนนี้ใช้ไม่ได้การแต่งงานทุกครั้งย่อมไม่เหมือนกันหากแต่งกับคนที่ต่างกันชีวิตคู่ย่อมต่างกันไปลีว่นรู้ดีว่าหลีชิงถิ่งคำทุกอย่างเพื่อคำนึงถึงนางเป็นหลักลีวันหวังว่านางจะพบความสุขของตนเอง ในนิยายต้นฉบับเจิ้งอวินชงไม่เคยแต่งงานเลยจนกระทั่งได้เป็นผู้บัญชาการแม้จะไม่ได้รู้จักตระกูลเจิ้งลึกซึ้งนักแต่จากการคลุกคลีในตอนนี้ก็นับว่าไม่เลวโอกาสวางอยู่ตรงหน้าแล้วต้องคว้าไว้ให้มันมีเช่นนั้นอาจจะพาดไปได้ง่ายๆความจริงในใจท่านแม่ก็มีความรู้สึกให้อาเจิ้งอยู่บ้างใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกเลยสักนิดลีชิงผิงยอมรับในที่สุดท่านแม่ข้าเองก็หวังให้ท่านมีความสุขนะคะ ลีชิงผิงซาบซึ้งกับคําพูดของบุตรสาวจนตื้นตันใจไปหมดนางยื่นมือไปโอบกอดบุตรสาวไว้แน่นเนินนานโดยไม่เอ่ยคําใดหลายวันต่อมาเจิ้งอวิ๋นชงยังคงวิเวียนมาหาเป็นระยะแต่เขาไม่ได้เร่งรัดเอาคําตอบจากลีชิงผิงจนกระทั่งหลีหวานสอบเข้ามัธยมปลายเสร็จสิ้นเจิ้งอวิ๋นชงจึงได้รับคําตอบที่เขาเฝ้ารอลีชิงถิงตกลงเจิ้งอวิ๋นชงดีใจจนทําตัวไม่ถูกลมหายใจของเขาเริ่มหอบกระชั้นจริงหรือเจ้าเต็มใจแต่งงานกับข้าจริงๆหรือ อืมหลีชิงผิงพยักหน้าเมื่ออยู่กับเจิ้งอวิน๋นฉงนางสัมผัสได้ถึงการได้รับความใส่ใจและการปกป้องอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อนตลอดสิบกว่าปีที่แต่งงานกับโจเจี้ยนเยี่ยดีเหลือเกินจะวางใจได้ต่อไปข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าแม่ลูกต้องลำบากค่ า, าเจิ้งอวิ๋นฉงดีใจจนกล้าเข้าไปสวมกอดหลีชิงผิงไว้และยังดึงตัวหลีหวันเข้ามากอดแน่นด้วยข้าจะรีบกลับไปบอกท่านแม่พวกเราจะแต่งงานกันเดี๋ยวก่อน ลิชิงทิงฟังจากน้ำเสียงของเขาดูเหมือนเขาจะอยากจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ค่าเป็นการแต่งงานครั้งที่สองพวกเราแค่ไปจดทะเบียนสมรสแล้วทานข้าร่วมกันในครอบครัวก็พอไม่ต้องลำบากหรอกไม่ได้อะไรที่ควรมีเราต้องมีให้ครบทั้งสินสอดการมั่นหมายและงานแต่งงานเรื่องพวกนี้ข้าไม่ค่อยรู้ความนักต้องให้ท่านแม่เป็นคนจัดการเจ้งอวินฉงยืนยันว่าจะไม่ยอมให้พวกนางต้องลำบากไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานครั้งที่สองหรือไม่การที่พวกเราแต่งงานกันถือเป็นเรื่องมงคล แน่นอนว่าต้องจัดงานให้ดีจัดให้ยิ่งใหญ่คืนนั้นเจิ้งอวินชงพูดจาเจี้ยวไม่หยุดหลีชิงพิงงงไปหมดจนฟังเข้าหูเพียงไม่กี่ประโยคหลีหวันเองก็เช่นกันท่านพ่อคนใหม่ของนางช่างพูดเก่งเสียจริงดูออกเลยว่าเขาดีใจมากจนเก็บอาการไม่อยู่เจิ้งอวินชงราวกับกลัวว่าหลีชิงพิงจะเปลี่ยนใจเพียงไม่กี่วันเขาก็หาวันมงคลพาแม่สื่อและท่านผู้เฒ่าทั้งสองของตระกูลเจิ้งมาเจรจาเรื่องงานแต่งงานถึงที่บ้าน สินสอดหกร้อยอยู่แล้วจะซื้อจักรยานตราฟีนิกให้ฝ่ายหญิงหนึ่งคันยังมีจักเย็บผ้านาฬิกาข้อมือชุดเครื่องนอนหกชุดที่ฝ่ายชายจะเป็นคนเตรียมเจ้าเห็นว่าเป็นอย่างไรยังมีอะไรต้องการเพิ่มเติมอีกไหมแม่สื่อเพียมาทําตามพิธีเท่านั้นนางไม่ต้องออกแรงเกลี้ยกล่อมเลยวันนี้คุยจบก็ได้เงินสําหรับนางแล้วนี้ไม่ต่างจากลาบลอยจากฟ้าทว่านางก็คาดไม่ถึงว่ารองผู้พันเจิ้นจะแต่งกับสตรีที่เคยแต่งงานมาแล้วแถมยังมีบุตรสาวติดมาด้วยคนหนึ่ง แต่ฝ่ายหญิงคนนี้หน้าตา ส, สวยหมดจดจริงๆทั้งสองคนอยู่ด้วยกันก็นับว่าเหมาะสมกันดีเจ้าชุนฮาวากล่าวเสริมด้วยรอยยิ้มชิงผิงค้าเห็นว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้เขานิยมเครื่องประดับทองกันอีกสองวันให้เจ้าอาวินฉงพาเจ้าไปซื้อนะถูกใจชิ้นไหนเราก็ซื้อชิ้นนั้นแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พวกเจ้าแม่ลูกคนละสองชุดด้วยที่บ้านเตรียมไว้พร้อมหมดแล้ววันหลังเจ้าลองไปดูที่บ้านว่ายังขาดหรืออะไรอีกก่อนแต่งงานจะจัดหามาให้ครบ ใช่ละบ้านพักที่อวินชงยื่นเรื่องขอไปคาดว่าอีกสักพักคงจะอนุมัติลงมาข้าจะช่วยเร่งทางเบื้องบนให้อีกแรงถึงตอนนั้นพวกเจ้าสองคนก็ย้ายเข้าไปอยู่ในลานบ้านของพวกเจ้าเองได้เลยไม่ต้องมาเบียดเสียดกับพวกเราที่บ้านเก่าหรอกท่านผูเท่าเจิ้งกล่าวอย่างจริงจังลีชิงผิงคาดไม่ถึงเลยว่าพวกเขาจะเตรียมการได้รอบครอบถึงเพียงนี้นางไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมเรื่องสินสอดนั่นช่างมันเถอคะค่ะ